จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกทุ ก, ท, กท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่8พุศจภาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาทำบุญให้ทาน ตามความศรัทธาความเชื่อในเรื่องของบุญกุศลว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่จิตใจทำให้จิตใจของเรามีความอิ่มเ อ, อิบมีความสุขมีความสบายใจ<ม>เป็นการให้อาหารแก่จิตใจของเราเราจึง ได้ตั้งใจมาทําบุญกันอย่างสม่งเสมอบุญที่เราทําที่ผ่านมาสักครู่นี้เรียกว่าทานทานแปลว่าการให้การให้สิ่งของแก่ผู้อื่นก็จะได้บุญบุญนี้เป็นผลทานนี้เป็นเหตุและเวลาที่เราพูดว่าเราทําบุญนี้ เราหมายถึงว่าเรากำลังทำให้เกิดผลขึ้นมาคือบุญบุญคือความสุขใจความสบายใจเหตุที่จะทำให้เกิดความสุขใจและสบายใจนั้นก็มีหลายเหตุด้วยกันเช่นการให้ทานนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งการให้ทานก็จะทำให้เกิดความสุขใจการรักษาศีล ก็ทำให้เกิดความสุขใจการภาวนาทำจิตใจให้สงบทำจิตใจให้ฉราดให้รู้ทันความโลภความโกรธความหลงก็เป็นบุญอีกอย่างหนึ่งเป็นความสุขเป็นความสุขที่สูงสุดที่มากที่สุดบุญนอกจากนั้นก็มีบุญอย่างอื่นที่เราทํากันอยู่ เช่นอนุโมทนาบุญเวลาผู้เขาทําบุญเราก็ร่วมอนุโมทนาร่วมทําบุญไปด้วยอย่างนี้เราก็ได้บุญถึงแม้ว่าเราจะไม่มีทรัพย์ที่จะทําร่วมแะไกับเขาเพียงแต่เรามีความชื่นชมยินดีกับการทําบุญเราก็ได้บุญแล้วคือเราได้ความสุขใจ แต่ถ้าเราไปคัดค้านมีความไม่ชอบให้เขาทำบุญเห็นเขาทำบุญแล้วเรากลับไปขัดขวางหรือกลับไปคัดค้านใจของเราก็จะไม่ได้บุญเพราะใจของเราจะไม่ได้ความสุดนั่นเองดังนั้นเวลาที่ผู้อื่นทำบุญทำความดีเราอย่าไปคัดค้าน ไม่ว่าด้วยเหตุผลคนใดก็ตามเพราะการขัดขันไปขัดขวางนี้เป็นการสร้างทุกข์ให้กับเราไปประปาเราควรจะอนุโมทนาพราการทำบุญนั้นทำความดีนั้นเป็นประโยชน์ไม่เกิดโทษกับผู้ใดนี่คือการกระทำที่ทำให้เกิดบุญขึ้นมาได้อีกวิธีหนึ่งคืออนุโมทนาบุญ อีกวิธีนึงก็คือเวลาเราทําบุญแล้วเราก็แบ่งบุญให้แก่ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วด้วยการกรวดน้ำอุทิศบุญผู้ที่ร่วงลับไปแล้วถ้าเขารอรับอยู่เขาก็จะได้รับบุญส่วนนี้ผู้ที่รับรอรับบุญส่วนนี้ก็คือผู้ที่เป็นขอทานทางจิตวิญญาณคือในขณะที่มีชีวิตอยู่ ไม่สนใจต่อการทำบุญให้ทานเวลาตายไปจึงไม่มีบุญติดตัวไปด้วยเลยมีแต voilà> ่ความหิวความอยากคนอดอยากขาดแคลนก็เลยต้องรอรับส่วนบุญของผู้ที่ส่งไปให้การอุทิศบุญให้แก่ผู s s ้ที่ล่วงลับไปแล้วนี้ก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องอุทิศให้แก่ เฉพาะญาสนิทมิสหายเท่านั้นเราสามารถอุทิศให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายได้เพราะมีสรรพสัตว์มากมายที่ไม่มีญาติหรือญาติไม่สนใจต่อการทำบุญก็จะไม่ได้รับบุญส่วนนี้แต่ถ้าเราอุทิศให้กับสรรพสัตว์ผู้ที่เขารอรับอยู่ก็จะได้รับ ไม่ใช่แต่เฉพาะญาติพี่น้องของเราท่านั้นเพราะบางครั้งญาติพี่น้องของเราอาจจะไม่ต้องรอรับบุญส่วนนี้ก็ได้เพราะถ้าเขาในสมัยที่เขามีชีวิตอยู่เขาตั้งใจทำบุญทำทานอย่างที่พวกเรามาทำกันอย่างนี้อย่างสม่ำเสมอพวกเราตายไปก็ไม่ต้องไปเป็นขอทานทางจิตวิญญาณ แต่เราจะไปเป็นเศรษฐีทางวิญญาณเราจะไปเป็นเทพกันเป็นเทพมีอาหารทิพตมีรูปทิพสียงทิพกลิ่นทิพให้เราได้เสษอย่างสุขอย่างสบายเพราะอำนาจของบุญที่เราทำไว้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี่เองแต่ถ้าเราไม่ได้ทำบุญเลยไายไปเราก็ไปแบบไม่มีอาหารติดตัวไป ไม่มีสเสบียงติดตัวไปก็จะมีแต่ความอดอยากขาดแคลนมีแต่ความหิวความกระหายต้องไปขอทานจากคนนั้นคนนี้ mm hmm. ดังนั้นเวลาเราทำบุญก็ขอให้เราทำบุญอุทิศทั้งกับผู้ที่เรารู้จักและผู้ที่เราไม่รู้จัก mm hmm. เพื่อคนที่เรารู้จักเขาไม่ต้องการบุญนี้ผู้ที่เราไม่รู้จัก ที่เขารอรับบุญส่วนนี้อยู่เขาก็จะได้บุญแล้วเราก็จะได้บุญที่เกิดจากการอุทิศบุญนี้อีกทาบุญแล้วได้บุญแล้วแล้วเอาบุญนี้ไปอุทิศก็ได้บุญเพิ่มขึ้นมาอีกชั้นนึงได้สองชั้นด้วยกันได้บุญจากการได้ได้บุญจากการให้แล้วก็ได้บุญจากการอุทิศบุญมีความสุขเพิ่มขึ้นสองชั้นด้วยกัน อีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถที่จะสร้างบุญคือสร้างความสุขใจให้แก่เราได้ก็คือการรับใช้ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นยินดีที่จะสงเคราะห์ผู้อื่นถ้าเห็นเขาอยู่ในสภาพที่เดือดร้อนเช่นเวลามีภัยต่างๆไฟไหม้น้ำท่วมคนไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารรับประทานเรามีเราก็ควรที่จะ ช่วยเหลือกันให้เขาได้มีรับประทานช่วยบรรเทาความทุกข์ต่างๆให้น้อยลงไปหรือเราจะช่วยด้วยวิธีอื่นก็ได้ช่วยด้วยกำลังกายของเราก็ได้ถ้าเขามีงานทำมีงานอะไรแล้วเขาขาดคนเราก็ไปร่วมกันไปช่วยเป็นอาสาสมัครเช่นเวลามีงานบุญอย่างนี้ตามวัด บางทีก็มีคนไปมากทางวัดก็ต้องอาศัยญาติโยมมาช่วยกันมาตั้งโรงทานบ้างมาช่วยกันเก็บกาเก็บกวาขยะบ้างมาช่วยกันกล้างถูห้องน้าบ้างการกระทำเหล่านี้ก็จะทำให้เรามีความสุขใจอย่าถือตัวว่าเรามีฐานะสูงมีความน่น่ารวย เราทำงานแบบนี้ไม่ได้อันนี้เป็นกิเลสจะทำให้ใจของเรานั้นคับแคบจะทำให้ใจของเราไม่มีความสุขถ้าเราไม่ถือตัวแล้วเราก็จะทำอะไรได้ทุกอย่างเมื่อเราทำแล้วเราก็จะมีความสุขใจนี่ก็เป็นบุญอีกอย่างหนึ่งบุญอีกอย่างหนึ่งก็คือ คที่เกิดจากการมีความอ่อนออ น, น้อมถ่อมตนมีสมมาคาระวะรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่รู้จักที่สูงรู้จักที่ต่ำทำตัวให้เป็นผู้น้อยจะมีความสุขกว่าทำตัวให้เป็นผู้ใหญ่การทำตัวให้เป็นผู้ใหญ่ถ้าผู้อื่นก็ไม่รับเราก็จะเกิดความเสียใจ แต่ถ้าเราทาตัวเป็นผู้น้อยนี้ไม่มีใครเขารังเกียจเขายินดีรับเราเสมอไปอยู่กับใครอยู่ที่ไหนก็จะไม่มีใครรังเกียจไม่เหมือนกับคนที่ชอบทำตัวใหญ่โตอวดดีอวดรู้อวดเก่งมักจะไม่ค่อยมีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วยก็จะอยู่แบบไม่มีเพื่อนไม่มีไม่มีคน ที่เขาจะให้ความช่วยเหลือนี่ก็เป็นบุญอีกอย่างหนึ่งนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีบุญความสุขที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมเวลาเราฟังเทศฟังธรรมใจของเราก็มีความสงบมีความสุขมีปัญญามีความเห็นที่ถูกต้องซึ่งก็เป็นบุญอีกอย่าง การมีความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงอย่างนี้ก็เป็นความเห็นที่ถูกต้องที่จะทำให้เราได้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องนั่นเองเพราะถ้าเรารู้ว่าทําบาปแล้วต้องไปตกนรกเราก็จะไม่กล้าทําบาป ถ้าเรารู้ว่าเราทำบุญแล้วเราจะไปสวรรค์เราก็จะมีกำลังใจที่จะทำบุญเพราะการทำบุญนี้ยากต่อกว่าการทำบาปการทำบาปนี้ง่ายมากแทบจะไม่ต้องไม่ต้องสั่งเลยแต่การทำบุญนี้ต้องคอยสั่งคอยเที่ยวเข็นอยู่เรื่อยเช่นเวลามาวัดนี่รู้สึกว่ายากแต่เวลาไปเที่ยวกินเหล้าเมายานี่รู้สึกว่าง่าย ไม่ต้องสั่งเลยเพียงแต่คิดปั๊บมันก็เตรียมตัวที่จะออกจากบ้านไปแล้วแต่เวลามาวัด น, นี้،ต้องคิดหลายครั้งหลายตลกด้วยกันกว่าจะมาได้สักครั้งหนึ่งเพราะพอจะมาวัดก็จะมีเรื่องต่างๆมาคอยขวางทันทีเดี๋ยวติดงานนั้นติดงานนี้มีธุระตรงนั้นธุระตรงนี้ เวลาไปเที่ยวกินเหล้าเมาอยา่างนี้ไม่มีอะไรมาขวางเลยไม่มีอะไรมาติดเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าใจของพวกเราอันนี้ยังรักที่จะทําบาสนั่นเองชีวิตของพวกเราจึงต้องมาเวียนว่ายตายเกิดมาทุกข์กับเรื่องราวต่างๆต่อไปเพราะใจของเรานั้นยังชอบไปทางบาปแต่ถ้าเราชอบมาทางบุญแล้ว ต่อไปเราก็จะไม่ต้องกลับมาทุกข์ไม่ต้องกลับมาเกิดเหมือนกับพระพุทธเจ้ากับพระสาวกทั้งหลายท่านพยายามทําความดีทุกภพทุกชาติพยายามละบาปทุกภพทุกชาติพยายามตัดกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงให้เบาบางลงไปทุกภพทุกชาติจนในที่สุดท่านก็สามารถตัดภพตัดชาติ ตัดการเวรวหวตายเกิดได้หมดด้วยอานาจของการทำบุญละบาปและชาระใจให้สะอาดชาระความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปจากใจนั่นเองนี่ก็คือบุญที่จะได้รับจากการมีความเห็นที่ถูกต้องจะมีความเห็นที่ถูกต้องได้ก็ต้องเกิดจากการฟังเทศฟังธรรม ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะถ้าเราไปฟังคาสอนของคนอื่นที่ไม่รู้เรื่องบาปบุญเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เขาก็จะสอนเราว่าไม่มีหรอกนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีตายแล้วไม่ไปเกิดใหม่ตายแล้วสูญ น, นี่เป็นเพราะว่าใจของเขามืดบอดนั่นเองเหมือนกับคนตาบอดคนตาบอดย่อมบอกว่าตรงนี้ไม่มีคนไม่มีศาลา ไม่มีพระพุทธรูปเพราะเขาเห็นแต่ความมืดเขาก็จะพูดไปตามตามสิ่งที่เขาเห็นก็คือไม่มีนั่นเองแต่คนที่มีตานี้รู้ว่ามีอะไรอยู่ฉันใดพระพุทธเจ้าภาษาโลกทั้งหลายก็เป็นเหมือนคนมีตาแต่ตานี้เป็นตาในาตาในาที่พวกเรายังมืดบอดกันอยู่ พวกเรายังมองไม่เห็นสวรรค์ยังมองไม่เห็นนรกเรายังมองไม่เห็นการเวียนว่ายตายเกิดเพราะเรายังไม่เห็นใจของเรานั่นเองเพราะเราไม่เคยเปิดตาในเรามีเปิดแต่ตานอกเราถึงเห็นแต่สิ่งภายนอกไม่เห็นสิ่งภายในถ้าเราย้อนกลับเข้ามาดูข้างในบ้างหลับตานอกเสียแล้วก็เปิดตาใน เราก็จะเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นใจของเราเห็นบุญและเห็นบาปเห็นการเวียนว่ายตายเกิดแต่ตอนนี้เรายังไม่เห็นเราก็ต้องเชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าก่อนที่สอนให้พวกเรามาปฏิบัติธรรมกันมาเปิดตาในกันให้นั่งขัดสมาธิหลับตาแล้วก็บริกรรมพุทธโธพุทธโธไป เรื่อยๆแล้วต่อไปตาในของเราก็จะค่อยๆเปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยพอเปิดได้เห็นแล้วเราก็จะเริ่มเห็นว่าข้างในใจเรานี้ยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่เราไม่เห็นกันเราจะเห็นนรกเราจะเห็นสวรรค์เราจะเห็นใจที่จะต้องไปเกิดใหม่ ถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วต่อไปเราก็ไม่ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าก็ได้ไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนเราก็ไม่เป็นปนัญหาอะไรแล้วเพราะพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนคนนำทางคนตาบอดนั่นเองแต่เมื่อคนตาบอดนี้หายจากหายจากตาบอดแล้วสามารถมองเห็นได้ด้วยตัวเองแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีคนอื่นนำทางปะ นำทางไปอีกผู้ใดที่มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาแล้วผู้นั้นก็ไม่จาเป็นที่จะต้องมีผู้อื่นนำทางต่อไปเช่นพระอาริยบุคคลขั้นที่หนึ่งคือพระโสดาบันท่านปฏิบัติธรรมจนกระทั่ง ม, มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเห็นบุญเห็นบาปเห็นนรกเห็นสวรรค์ท่านเห็นแล้วทีนี้ท่านก็สามารถที่จะ ดำเนินชีวิตของท่านไปโดยไม่ต้องมีพระพุทธเจ้ามาคอยสอนอีกต่อไปเพราะท่านมีดวงตาที่เห็นได้ด้วยตนเองไม่ต้องให้คนอื่นพาไปแล้วเหมือนกับเราเวลาที่เราตาบอดถ้าเราจะไปไหนมาไหนเราก็ต้องอาศัยผู้อื่นพาเราไปแต่พอเรารักษาตาจนหายแล้วมีตามองเห็นทุกอย่างได้แล้ว เราก็ไม่ต้องพิ่งคนอื่นอีกต่อไปนี่คืออานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นจากการฟังเทศฟังธรรมเพราะฟังแล้วจะได้มีความเห็นที่ถูกต้องเมื่อมีความเห็นที่ถูกต้องก็จะมีการปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วก็จะมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาแล้วก็จะสามารถ ปฏิบัติไปได้ด้วยตนเองจนไปถึงขั้นสูงสุดได้นี่คือบุญที่สําคัญอย่างยิ่งขั้นต้นก็ต้องได้ยินได้ฟังก่อนเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องดังนั้นบุญสองส่วนที่สําคัญมากก็คือบุญที่เกิดจากการฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็บุญที่เกิดจากการภาวนา เพราะเมื่อเราฟังเทศฟังธรรมแล้วเราก็จะรู้จักวิธีภาวนารู้จักเปิดตาในของเราให้สวา่างขึ้นมาการภาวนานีแหละคือการจะทำให้ตาในของเราสวา่างขึ้นมามองเห็นนรกมองเห็นสวรรค์มองเห็นการเวียนว่ายตายเกิดมองเห็นบาปมองเห็นบุญผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมแล้วจะไม่ ทำบาปอีกต่อไปเช่นพระโสดาบันนี้จะไม่ทำบาปอีกต่อไปสีลห้าข้อนี้จะรักษาอย่างเข่งขัดไม่ละเมิดโดยเด็ดขาดเพราะรู้แล้วว่าถ้าทำไปแล้วจะไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่ได้มาเช่นอยากจะได้คนที่เราชอบอยากจะได้มาเป็นภรรยาหรือสามี แต่เขามีสามีหรือมีภรรยาแล้วก็จะไม่ไปยุ่งกับเขาโดยเด็ดขาดเพราะว่าได้เขามานี้ไม่คุ้มกับบาปที่ทําไปเพราะจะต้องไปตกนรกไปใช้กรรมในอบายสู้อยู่สู้หาคนอื่นที่เขาไม่มีคู่ครองดีกว่าถ้ายังอยากจะมีคู่ครองอยู่ก็หามาให้ถูกต้องตามตามประเพณี ประเพณีก็คือต้องไปสู่ของบิดามารดาหรือไปขออนุญาตจากผู้ที่เขาเป็นเจ้าของก่อนเมื่อเขาอนุญาตแล้วก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้ไม่เป็นบาปเป็นกรรมอย่างนี้ก็จะไม่ต้องไปใช้บาปใช้กรรมหรืออยากจะได้เงินได้ทองก็จะไม่ไปโกงไม่ไปโกหกหลอกลวงหรือไปลักขโมยมา พอเห็นด้วยตาในแล้วว่าการทําบาปนี้ไม่คุ้มกับเงินทองที่ได้มาได้เงินทองมาแต่จะต้องไปตกนรกนี้มันไม่คุ้มค่ากันต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานต้องไปเป็นเปรตไปรอรับส่วนบุญที่เขาอุทิศให้อย่างนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่คุ้มค่ากันดังนั้นผู้ที่มีดวงตาอุทธรรมคือพระโสดาบาันนี้ จะไม่ทำบาปโดยเด็ดขาดและด้วยอานิสงส์ของการมีดวงตาเห็นธรรมนี้ก็จะทำให้ใจนี้มีกำลังฝืนอำนาจของบาปที่จะฉุดลากให้ไปใช้กรรมในในอบายได้พระโสดาบันจึงไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไป ถึงแม้ว่าในอดีตชาติเคยทำบาปทำกรร ม, มามากน้อยเพียงไรก็ตามแต่กำลังของบาปที่ทำไว้นี้จะไม่มีกำลังพอที่จะฉุดลากใจของพระโสดาบันให้ไปเกิดในอบายได้เพราะท่านมีพลังแห่งธรรมคอยดึงเอาไว้และภพชาติของท่านที่เหลืออยู่นี้ก็จะมีไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมาก เพราะจิตของท่านจะเริ่มพัฒนาสมคุณไปเรื่อยๆจากขั้นที่หนึ่งก็จะขึ้นสู่ขั้นที่สองขั้นที่สามและขั้นทีส่สี่ตามลำดับต่อไปและก็จะหลุดพ้นจากความการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายไปได้ในที่สุดไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากนี่คืออนิสงส์ที่เกิดจากการภาวนา ทำจิตใจให้สงบแล้วก็เอเวลาออกจากความสงบก็สอนใจให้ฉลาดให้เห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ไม่เป็นไม่คงเส้นคงวาไม่เป็นเหมือนเดิมตลอดเวลามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีการเกิดมีการดับเป็นธรรมดา นี่คือปัญญาที่จะสอนให้ใจนี้ฉลาดไม่หลงไปยึดติดเพราะการไปหลงยึดติดนี้จะทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมานั่นเองทุกวันนี้ที่เราทุกกับสิ่งต่างๆเพราะเราไม่ฉลาดเราไปหลงยึดติดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้จะอยู่กับเราไปนานๆจะเป็นของเราไปนานๆจะให้ความสุขกับเราไปนานๆ แต่พอสิ่งนั้นเปลี่ยนไปหรือจากเราไปความสุขที่เราได้จากสิ่งนั้นก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเวลาเราไปโรงพยาบาลเราจะเห็นคนร้องห่มร้องไห้เวลาเราไปงานศพเราจะเห็นคนร้องห่มร้องไห้กันเพราะอะไรเพราะร่างกายมันไม่เที่ยงนั่นเองร่างกายเกิดมาแล้วก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดมาแล้วก็ต้องตาย ไปเป็นธรรมดาแต่เราไม่คิดกันเราไม่เคยพิจารณากันเราก็เลยคิดว่าร่างกายนี้จะอยู่กับเราไปตลอดพอถึงเวลาที่เขาไม่อยู่กับเราไปตลอดเราก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาแต่ถ้าเราคอยมนสอนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้ก่อนมาแล้วต้องแก่เป็นธรรมดา ร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้จะ ต, ต้องตายไปเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ถ้าเราพิจารณาอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆเราก็จะไม่ไปยึดไปติดเราก็จะเตรียมตัวให้เขาเกิดขึ้นเพราะเราไม่มีทางเลือกการที่เรายอมรับความจริงนี้จะทําให้ใจของเราไม่ทุกข์ พอเมื่อเรายอมรับแล้วเราก็จะปล่อยวางปล่อยให้เป็นไปตามความจริงจะไม่ต่อต้านใจอย่างใดถ้าเรายอมแล้วใจของเราก็จะหยุดต่อต้านเมื่อหยุดต่อต้านแล้วใจของเราก็เย็นดังนั้นเขาจึงมีสูตรสามยอให้เราท่องเอาไว้ว่ายอมหยุดแล้วก็จะเย็นยอมหยุดเย็นยอมรับความจริง ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่เป็นของเราเมื่อเรายอมรับแล้วเราก็จะได้หยุดต่อต้านหยุดที่จะพยายามต่อต้านคือพยายามให้มันอยู่ไปนานๆให้ได้อพอมันพอต่อต้านแล้วเราก็จะเกิดความร้อนขึ้นมาเกิดความทรมานใจขึ้นมาแต่พอเรายอมแล้วเราหยุดต่อต้านใจของเราก็เย็น เช่นคนรักของเราเขาอยากจะทิ้งเราไปอยากจะไปอยู่กับคนอื่นเราก็ยอมให้เขาไปเราไม่ต่อต้านเราอยู่เราทําใจให้เป็นอุเบกขาทําใจปล่อยวางเฉยๆไปก็ได้อยู่ก็ได้แล้วใจของเราจะเย็นจะมีความสุขแล้วต่อไปเราจะรู้ว่าไม่มีอะไรจะดีเท่ากับการทําใจ ให้ยอมให้หยุดให้เย็นแล้วต่อไปเราก็จะไม่อยากจะได้อะไรไม่อยากจะมีอะไรหรือถ้ามีเราก็พร้อมที่จะให้เขาไปจะไม่หวงไม่หวงไม่ไม่ยึดไม่ติดอีกต่อไปอย่างนี้ใจของเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เป็นวิธีเดียวทั้งนั้นที่เราจะดับความทุกข์และความสร้างความสุขให้กับใจ ไม่ใช่ด้วยการไปหาสิ่งต่างๆมาเป็นของของเรายิ่งหามามากเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์มากกับของที่เราหามาได้เพราะเมื่อเราหามาได้แล้วเราก็ต้องหวงต้องห่วงแล้วเราก็ต้องมาเสียใจเวลาที่เขาจากเราไปดังนั้นถ้าเราได้ภาวนาได้พิจารณาอย่างนี้แล้วเราจะรู้ว่าความจริงเราไม่ต้องมีอะไรเรากับมีความสุข มากกว่าการมีอะไรมากมายเสีย อ, อีกนี่แหละคือดวงตาเห็นธรรมเมื่อก่อนนี้หลงมืดบอดคิดว่าต้องมีคนนั้นมีคนนี้มีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้ถึงจะมีความสุขแต่พอได้มาภาวนาทำจิตใจให้สงบและพอออกจากความสงบก็พิจารณาถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆก็จะเห็นความจริงขึ้นมาว่า อยู่คนเดียวสบายกว่าไม่มีอะไรสบายกว่านี่คือดวงตาเห็นธรรมแล้วก็อยากจะตัดทุกสิ่งทุกอย่างออกไปตามลําดับตจนในที่สุดก็จะตัดทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดก็จะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจอีกต่อไปนี่คือเรื่องของบุญที่พวกเรามาทํากันอย่างสม่ําเสมอขอให้เราพยายามทำกันต่อไป อย่าท้อถอยอย่าท้อแท้คนอื่นจะทำหรือไม่ทำนั่นเรื่องของเขาแต่ขอให้เราคิดว่าการทาบุญนี้เหมือนการรับประทานอาหารคนอื่นเขาจะกินไม่กินเราไม่สนใจถึงเวลาที่เราต้องกินเราต้องกินแล้วเพราะถ้าเราไม่กินแล้วเราจะหิวและเราจะลำบากนั่นเองเช่นเดียวกับการทำบุญ ถ้าเราไม่ทําบุญแล้วเราจะทุกคนอื่นเขาไม่มาทุกแทนเราและเราก็ไม่ไปทุกแทนคนอื่นคนอื่นเขาไม่ทําก็เรื่องของเขาเขาทุกก็เรื่องของเขาแต่เราถ้าไม่กินไม่ทํานี่เราก็จะต้องทุกแล้วก็จะไม่มีใครมาช่วยดับความทุกข์ให้กับเราไดา้เพราะมันเป็นอัตตาหิอั ต, ตโนนาโตตนเป็นที่พึ่งของตนเราต้องทํากันเราต้องทําบุญกัน เมื่อเราทำบุญแล้วรับรองได้ว่าความทุกข์ของเราจะน้อยลงไปและจะหมดไปได้อย่างหมดสิน้นจึงขอฝากให้ท่านทั้งหลายได้เอาเรื่องของการทำบุญต่างๆนี้ไปพิจิพิจารณาและปฏิบัติตามสมควรแก่ศรัทธาและสติปัญญาของท่านเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป งานแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนตรัยและมือกุศลที่ท่านได้มาบำเผ่นกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแค้วค่ า, าปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้าการเธอ